ข อ, ข อ, ขอความสุขความเจริญจะมีแดะท่านสาธาชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องโคตมสูตรจะเป็นประสูตรที่ว่าด้วยหลักการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีข้อความโดยสรุปว่าในคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จไปประทรับที่โคตมกะเจดีที่เมืองไพยซาลี มีกลุ่มพวกภิกษุเป็นจํานวนมากที่มีความคิดว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นก็แสดงในเรื่องที่เรารู้แล้วทั้งนั้นโดยต่างคนต่างก็ไม่ได้ไปขวางเทศกันต่อมาเมือ่อพระเจ้าทรงทราบทราบความคิดนะฮะทราบความคิดตัวเรียกประชุมภิกษุ ถาสงถามพวกเธอคิดอย่างนี้จริงใช่ไหมท่านนั้นท่านเหล่านั้นก็บอกว่าคิดจริงพระเจ้าจึงทรงแสดงพระสูตรพระสูตรหนึ่งนานมาแล้วแต่มาเคยเล่าให้ฟังว่ามาอ่านยังไม่เคยจบไปนะอ่านหลายเที่ยวแล้วไม่จบมันมึนหัวมันคิดไม่ออกอ่านหลายเที่ยวละอ่านสักครึ่งสักกึ่งมันมึนหัว คิดไม่ออกนลึกซึ้งเหลือเกินพระเจ้ากเทศประสูตรเนี่ยมูละปริยาจะสูตรท่านเหล่านั้นก็หูอื้อหมดเหมือนกันเนี่ยนะแลเป็นประสูตรเดียวที่คือตามปกติแล้วพระสูตรเวลาแสดงเนี่ยแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยบาลีจะใช้คำว่าอัตมานาเตพิภูโกกโตภาสิตตังอัพิดันตุ ภิกษุทั้งหลายมีความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่ว่าประสุนเนี่ยมูลค์ยียสุตมันลงด้วยคำ ว, ว่าอนัตตมนาเตปิคู่ภค ว, วาโตุปาสิตังพิสูทั้งหลายก็มึนงงไปหมดต่อธรรมเทศนาที่ส่งแสดงพระธรรมท่านเหล่านั้นได้สำนึกนะฮะว่า ที่คตัวเองเก่งองที่จริงไม่เก่งจริงอ่ะแต่ทําไมพ่กฟังธรรมะแล้วเกิดความเข้าใจประชงค์แสดงถึงว่าหลักการเทศของพระองค์ว่พระองค์มีการเทศธรรมะอยู่สามวิธีก็เป็นบทส่วดที่นํามาสวดส่วนเสริญมธรรมเทศนาในปัจจุบัน ประการแรกที่น่าศึกษาก็คือเรื่องของเจดีย์เจดีย์ในเมืองไพราลีนะมีมากมีถึงสิบกแห่งเป็นเทวไลเป็นเทวสถานเป็นที่สถิตของสิ่งเคารพสักการะของบุคคลในยุคนั้นพเจ้าศเด็จไว ป, ประทับมาทุกแหง เราที่นาสังเกตว่าแม้แ ม, แม้ต้นภาษีมาโผดิวิยาสัจรูเองมันก็เป็นเทวไลนะฮะเป็นเทวสถานวิจาก็ขึ้นไปประทับนั่งสัจรูบนบนแท่นของเขาที่ก็ตั้งไว้แล้วนะเขาทาไวเ้เรียบร้อยขึ้นไปนั่งก็สัจรูบนสถานบนเทวไลของบุคคลอื่นแล้วสถานที่ที่เสด็จไปประทับตอนสัรูใหม่ๆ มันก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในยุคนั้นทั้งนั้นว่าจะต้นไทรต้นจิกต้นเกตหรือว่ารัตนคระรัะตนจงกรมอ น, นุวิสเจดีอะไรเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในยุคนั้นแค่ๆก็เป็นที่วางจเจวิตเป็นที่ตั้งจเจวิตที่คนยุคนั้นเคารพนับตือกันแต่วุฒิเจ้าก็เสด็จไปประทรับเฉย เป็นการเตือนให้เห็นอยู่ในชีนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไปตําหนิอะไรเขาหรอกเตือนให้เห็นอยู่ในชีว่าจริงๆมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรหล้วพระโคตรรรมกะเจดีเนี่ยเป็นเจดีที่เป็นที่สถิตเป็นที่สถิตของยักษ์ตนหนึ่งพระเจ้าก็ไปประทับนั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะคนในยุคนั้นจะนับถือในแนวนี้นี่สูง แต่ยุวติตวณิกเขาไม่ได้นะฮะเพราะว่าจริงๆมันก็ให้ขวัญให้กำลังใจพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดคือสิ่งทั้งหลายที่คนเคารพนับถือไม่ว่าปลูกเขาต้นไม้จอมปลูกลองฟังอะไรแต่อะไรก็ตามนะฮะพระเจ้าไม่ปฏิเสธทั้งหมดหรอกทรงสแสดงเอาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะเวลาเกิดปวดตายเกิดถูกประหน้าภัยผูกคามแล้วมันก็ยึดถือหน่วงเหนียวเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่พึ่ง แต่เพียงแต่ทรงแสดงว่าที่พึ่งเหล่านั้นไม่ยช่ที่พึ่งอังกฤษไม่ใช่ที่พึ่งอุลตมคนถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่ไม่ปฏิเสธทั้งทุกระดับหมายความมาด้านขวาด้านกําลังใจด้านปลอดภัยปลอดอันตรายในขณะนั้นๆมาอานวยความสะดวให้ได้เพื่อแม้แต่พวกอะไรพระภูมิพระเพิ่มมาพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธนะฮะ ที่เราเออกมาพูดกันในจึงพูดเกินพระพุทธเจ้าไทรงสแสดงเป็นลูกของเทวตาผลีเกินพีกรรมที่มนุษย์จะต้องสร้างกัลยาณในจิตคือความเป็นมิตรไมตรีต่อเท พ, เ จ, พเจ้าทั้งหลายกระเพาะแม่ตาเป็นสเพสตาเนี่ยพระภูมิก็เป็น ส, เ, สเปสตากันจะบียดเบียนนั่นทไมนะก็เป็นสัตว์โลกด้วยกันนะี่ยนะแต่มันก็อยู่อาศัยด้วยกันก็ให้ความสําคัญ เป็นสร้างความเป็นมิตรเมตตรีต่อท่านเหล่านั้นแต่ไม่ได้มองไปในฐานะอันกเกษมสูงสุดอะไรมองไปฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่ จ, จ็บตายด้วยกันพระโคตมกะเจดีมันก็มีลักษณะอย่างนี้เราเคยได้ยินคุณชื่อทรงนี้ตอนที่พระเจ้าสงป ร, รบกร่อนประจหลังจากปรงประชนบอายุสังขาร รับสั่งว่าทรงสแสดงนิมิตอกภาสคือเป็นสัญญาณเตือนว่าพระองค์จะไปแล้วนะแต่ว่าไม่มีใครจับได้ไม่มีใครเข้าใจเราพูดเป็นนายเป็นนายท่านเหล่านั้นคิดเอาว่าพระุทธเจ้าจะไปแล้วแตนี้ผ่านแล้วแต่ว่าพระพิสุโดยเฉพาะพระอ น, นุลในท่านท่ น, ทานท่านคิดไม่ตื่เราทำให้เลยโอกาสที่จะไปขอให้พระองค์ดบรงพระชนอยู่ เรไปขอที่หลังมันตอนปรุงประจดมันยุสังขารไปแล้วถึงปรุงแล้วมันก็มันคืนคาไม่ได้นะฮะคืนเจตนารงไม่ได้นระการต่อไปคือเรื่องความคิดธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงทั้งหมดไม่ได้แสดงที่อื่นมันแสดงที่ตัวเราแต่ละคนแล้วก็โดยเนื้อหาสาระจริงๆก็คือเรื่องของอริยสัจสีพูดเท่าไรมันก็อริยสัจสี่เท่นั้น เพราะโลกทั้งปวงสาก ล, ลจั ก, กรวาลทั้งปวงสิ่งที่เป็นรูปธรรมนา ม, มาทำทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าโลกนี้โลกไหนแล้วนะฮะต้องอยู่ในกรอบของอริยสัจสี่ดังนั้นมีคนเป็นจำนวนมากที่มีความรู้สึกว่าฟังเทศก็อย่างนั้นอ่านหนังสือธรรมะก็อย่างนั้นเรื่องเรารู้แล้วดังนั้นนะฮะก็จริงๆนะนะเรียนรู้แล้วดังนั้นนะแต่ปัญหาสําคัญว่าความรู้ของเรานั้นก็รู้อย่า ง, อ ย, างอย่างที่รู้อ่ะนะ แต่เราไม่สามารถจะหาประโยชน์จากสิ่งเดียวแทนได้แต่พระเจ้าทรงสอนธรรมะสอนจากสิ่งที่เรารู้ที่จริงก็เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่พระเจ้าสอนให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ลดละกิเลสลงไปได้เห็นว่าพูดเรื่องสอนเรื่องขันเรื่องธาเรื่องอาิยตา้าเรื่องอินทรีย์ที่จริงก็ตัวเราทั้งนั้นนะนะทั้งขันทั้งธาทั้งอรยตนาทั้งอินทรีย์ แต่เราก็ดูแลรักษาในส่วนของร่างกายที่เรียกเรียกว่ารักษาสุขภาพพลานามัยแล้วก็ลงไหลครั่งคล้ห่วงใยอาลอัยอววร์เกี่ยวกับคันท่าอายตนะเหล่านี้พระเจ้าทรงสอนทุกระดับไม่ไดสอนเฉพาะระดับใดระดับหนึ่งแต่คนได้ประโยชน์จากในจุดเหล่านั้นในด้านสุขภาพพลานามัยก็มี แต่วงใหญ่เคื้องอาทรแลสุขภาพพระรามใหม่ของคนก็มีนั่นก็เป็นอีกระดับหนึงเรียวเป็นทิฏฐธรรมสุขคือคนก็อยู่เป็นสุขในปัจจุบันในชีวิตเราไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนั้นเท่านั้นเพราะคำสอนขานาานาองันธายาตนะค่อยขยายกันไปเรื่อยๆจนถึงมองเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรสิ่งที่เราเข้าใจว่าขัานธ า, ายาตนะที่รวมกันแล้วเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวปนตนของเราที่จริงมันไม่มีอะไร ที่ควรแกการยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นมันก็สอนเข้าไปสู่ใจลักที่จริงมันก็คื อ, คอขันท่าอยะะายตนะก็สอนเรื่องเดียวกันแต่ผลประโยชน์จากการรู้นั้นมันสูงขึ้นพอถึงจุดหนึ่งก็นําตัวหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ที่จะบอกไม่ถือมัน่นโดยอุปาทานแเลยนะฮะไม่ถือมัน่นโดยอุปาทานก็คือไม่ถือมั่นในขันในขันเหล่านั้นก็เป็นของเราเป็นเราเป็นตัวมันตัดเป็นเรเป็นก็สภาพจิตของผ้าอะหันในขณะที่ท่านครองขันอยู่ ท่านก็ไปยึดมั่นหรืมั่นในขันกับนแต่ว่าในส่วนของให้สุขภาพประาณาใม่ก็ต้องดูแล ร, รักษาเหมือเครื่องยนต์เนี่ยฮะเราก็ต้องดูแล ร, รักษามันเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการพระเจ้าเองก็คือมีการบริหารร่างกายมีการเดินจุงกรมมีการเดินเที่ยวบินระบาดมีการกวาดขยะทํางานเพื่อออกแรงเพื่อให้ร่างกายนันแข็งแรงแต่ในขณะเดียวกันเมื่อทรงประชูนก็ดูแล ร, รักษาสุขภาพ อันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องอาศัยเขาและเรื่องเราต้องใช้เขาก็ต้องดูแลเขาเพียงแต่ว่าไม่ได้ยึดมั่นถึงมัน่นเพราะฉะถ้าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าคิดอย่างกลุ่มภิกษุเหล่านั้นคิดจะถามว่าจริงไหมก็จริงไงนะวิจา ก, ก็ก็เทศเรื่องที่เรารู้แลแตงนั้นแหละอยานที่ทรงแสดงว่าเราบัญญัติโลกโลกก็คือทุกข์นะฮะที่เกิดเหตุเกิดของโลกก็คือสมุทยัยความดับของโลกก็คือนิโรธ ขอปฏิบัติไดถึงเรื่องความดับของโลกก็คือมันที่สกลกายซึ่งมีความยาวประมาณว่าหนึ่งมีความกว้างประมาณกมานหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี้เองไม่ได้แสดงที่อื่นเลยก็จริงๆริเนี่ยก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าการรู้แจ้งขันธาตุอยายตนะเหล่านี้เราเรียนเรารู้เนี่ยเรายึดเนี่ยนะฮะเราเรียนเรายุดงเลยเราหยุดแต่รู้เจ้าสอนให้เรียนให้รู้แล้วก็ปล่อยในขณะเดียวกันก็ มีการบริหารดูแลร่างกายเหมือนเดิมตจวเห็นว่าสอนแม้แต่การดูแลร่างกายรักษา ค, ความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยเสื้อผ้าอาหารบริเวณที่อยู่ที่อาศัยมันหมดเราก็พูดหม ด, ดนะฮะพูดหมดได้เอามาสอนไว้ทั้งหมดเทียนแต่ว่าเราจะนํามาพูดในตอนใดมันก็พูดหมดไม่ได้ก็พูดหมดได้ก็พูดเฉพาะเป็นตอนต่อ น, นะฮะเป็นตอนต่อเป็นในยะไป ที่นี้แนวการเทศเราจะเห็นว่าทรงนี้พระพุทธเจ้าทรงมีอาเทศนาปฏิหารรู้ความคิดของลูกศิษย์ประสิทธ์คิดยังไงเนี่ยรู้เพราะฉะนั้นธรรมเทศนาจึงยักย์ใหเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานความคิดของคน ต, ตอนนั้นจะที่แสดงว่าธรรมะแต่ละข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นดยสองเจตนา เราทำให้วิธีการมีความหลากหลายแต่แนวแนวหนึ่งก็เรียกอนุกหมมุขเทศนาหมายความว่าคนมันพร้อมคนพร้อมคนมีปัญหาแล้วจิตใจนั้นมีศรัทธามีพร้อมหมดพระเจ้าจะเทศในแนวอนุกหมมุขเทศนาคืออนุเคราะห์เขาไม่ได้พูดอะไรให้มันมีปัญหาต่อไปดีแต่แก้ปัญหาให้เขาตอนนั้นเอง นายอย่างเช่นในกรณีเทศแก่พระยศเนี่ยพระยศท่านท่านท่านท่านมีปัญหาตอนมองครอบครัวมองบ้านมองปร า, าสาทของท่านเหมือนกระป๋านชะ้าอ่าเกิดขยะขยะังเกิดดือดดาเดือ ด, ด, ด, ด, ด, ดร้อนก็เดินบ่นไปทีนี้วุ่นวายหนอทีนี้ก็ดข้องหนอทีนี้วุ่นวายหนอทีนี้ก็ด้องหนอรับสั่งพระองค์นาเกตว่ารับสั่งเรียกยศนะฮะเรียกชื่อเลยถามไม่รู้จักกันก่อนไหมไม่รู้จักยศทีนี้ไม่วุ่นวาย ทีนี้ไม่ขาดข้อมาที่นี้เติดนั่งลงเตื่นเราจะแสดงสามเกิเตืแสดงถึงประญานที่รู้ถึงชื่อแล้วก็รู้ถึงพื้นฐานความคิดของยัตะเพราะฉะนั้นธรรมเทศนามันก็คล้อยตามพื้นฐานตรงนั้นเป็น ก, การปลูกปลอบประโลมใจให้เกิดขวัญเกิดกำลังใจเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองกรองๆไตไปเรื่อยๆค่อยๆพูดไปเรื่อยๆื่อๆปลอประโลมไปเรื่อยๆอีนจุดเด่นดท่านก็บรรลุโสดาปัฏิปน ชาวประเทศได้พ่อฟังอีกเที่ยวหนึ่งท่านก็ฟังตามไปด้วยก็ได้บรรลุพระราหารัสเป็นพรหรัรทั้งทั้งที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยนะฮะที่แนวพิกษุรูปนี้เราจะเห็นว่ากระด้างโดยมานาะถือว่าเรารู้แล้วถือว่าเรารู้แล้วพระเจ้าสอนหนึ่งเรารู้แล้วทั้งนั้นเพรา ะ, ะนั้นก็ต้องการกำราบให้รู้ว่าเธอไม่แน่จริงหรอกเลยก็เทศมูลปริยายาสูอย่างที่ว่านี่ยอันนั้นเรียกว่านิหะมุ ข, ขเทศลาคือกำราบเดียก่อนบัดสันดานเดี๋ยก่อน กตํานองกระไม้เหล็กอย่างที่ว่าที่เรามาทางปืนนี่เจอมันก็ต้องผ่านขั้นตอนหยาบมาก่อนเพื่อฝึกอัตยาสายให้อ่อนลงเพราะธรรมะถ้าไม่อ่อนมันมันมันมันไปไม่ได้นะถ้าเรียกว่ากรรมนิยะคือใช้งานได้จิตก็ต้องเป็นกรรมนิยะกายเองก็ต้องเป็นกรรมนิยะวาจาเองก็ต้องเป็นกรรมนิยะหมายความว่าใช้งานได้เราคุมวาจาเราได้เราคุมกายเราได้เราคุมจิตเราได้สัญชาติคำคือผู้เป็นไทยว่าใช้งานได้ฮะใช้งานได้หรือว่ามีความพร้อม มีความพร้อมที่ใช้งานแล้วก็ถึงเวลาใช้งานกนะ็คือใช้งานได้ในตามตามที่ท่านต้องการเพราะงั้นธรรมาเทศนาในแนวนี้จึงเป็นแนวที่ที่กำราบเพราะกำราบเสร็จแล้วในท่านเรานั้นก็เกิดสนึกนะฮะเกิดสนึกว่าต้องต้องต้อ ง, องให้ขวัญให้กำลังใจให้ขวัญให้กำลังใจเพื่อเห็นว่าที่จริงที่ท่านว่าก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าท่านฟังโดยประยายนึง กาฟังโดยปริยายหนึ่งโดยในยะหนึ่งมันก็ถูกอย่างที่ทั้งคิดอย่ังก็ถูกพราะไม่งั้มันตะเลิดนะนะมันตะเอดิดที่จริงก็มีพสุทธก์แรกร่าย่อมสุทธิแต่เห็นว่ามันกน่าดนูนึกถึงพระอาจารย์มัน่นนึกถึงพระอาจารย์มั่นที่น้ำตกอะไรที่นครนายกกันนะฮะมันตกสาริกาอะไรๆคือเพื่อนร่วมสำนักกับบุทุษจารย์ท่าน阿拉ดาปุตสิตาลลาดาปุต อยู่ที่กรุงกบิลพัทเหมือนกันก็ทําให้เรารู้ว่าอสนอาสนาคมของของอลาดาบทอยู่ในเขตแคว้นสก่านี่เองพระเจ้าเสด็จมาที่เมืองกรุงราชเยกรุงกบิลพัทนะนะพระทรงบรรดาลดียพุท ธ, ธานุภาพไม่ให้มีที่พักเลยในปนอกจากอาสนามของดาวบทความนหนึงก็บอกพระเจ้ามานะมามะนะบอกชื่อไปหาที่พักให้หน่อยอจะพักที่เนี่ย มานามะก็ไปเดี่ยวหามัญหาไม่เจอบอกว่ามีแต่อาสมก็ับดาบทคนนี้เท่านั้นเองพักได้พระเจ้าก็ไปให้ไปขออนุญาตเขาไปขอพักที่นั้นก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะฮะรวมสํานักอาจารย์เดียวกันก็นมาก่อนก็ไปพักแล้วท่านมานามะก็เห็นว่าพระเจ้าเหนื่อยก็ไม่รบกวนตรงนั้นก็กลั บ, บวางอาบหน้าท่าเสร็จแล้วก็ตกกลางคืนก็ไปเฝ้าคุยธรรมะกันพระเจ้าก็แสดงถึงศาสดาสามประเภทได้ฟัง แต่บรรถึงบรรมณัฐจุดหนึ่งเนี่ยเนะื้อความมาพูดถึงพูดถึงกามพูดถึงรูปพูดถึงเวทนานะจริงๆกามรูปเวทนาเนี่ย ม, มาหมายความว่ากามก็คือกามวาจระพกุกอะกามวาจรภูมรูปก็หมายความาว่ารูปอะรูปอวจระพูเวทนาก็หมายถึงนิพพานนะนะมันมันมันเป็นภาษาทางปรัญญาทางศาสนาคือต้องการจะพูดกับนักปรัชญ่ คือนักปฏิบัตนั้นภาษามันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ทรงแสดงสาศาสต า, าสาประเภทศสาสดาในโลกนี้มีสาประเภทศสาสดาบางประเภทเนี่จะสอนให้การกําหนดรู ก, กามหมายความลักษณะประเภทของกลามโทษของกามนะความยิน ด, ดีของกลางอะไรๆ อ, อันนิสส์ของการออกจาก่นกามก็ว่าไปในสายนั้นแต่ไม่ได้สอนเรื่องรูไม่สอนให้กําหนดดูที่รูปเพราะได้เพราะว่าท่านท่านท่านดาบทเนี่ย ถ้าได้รูปปัจจันทร์ท่านก็ติที่รูปประชาตทแล้วก็ไม่ได้พิจารณารูปปัจจันทร์ที่จริงไม่ได้ของอย่างยืนอะไรทัานก็ติดอยู่ตรงนั้นเองพระเจ้า ก, ก็บอกว่าไม่ได้สอนให้กําหนดดูชีรูตแต่ทีน่นี้บางศาสดาก็สอนแต่ว่าไม่ได้สอนให้กําหนดดูที่เวทนานะหมายความว่าเวทนาที่เราเสเวยเนี่ยที่จริงมันเจือกิเลสหรือไม่เจือกิเลสมันก็ต้องดูว่าสืบเนื่องมาจากต้นต่ออะไร คือไม่ได้สอนตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่พอท่านบรรลุออกผลเป็นพระท่านบอกว่าโอ้โหสุขังมุสุขมุสุขจริงสุขจริ ง, รงมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเวทนาที่เป็นสุขจริงๆโดยไม่มีทุกข์เจือเลยสันดาบทก็พระเจ้าถามว่าคนที่สอนกําหนดถูกต้องเนี่ยคื อ, อยังไงนะสอนในสมาธิมากิดเนี่ยสันดาบุตรก็แซกมาเลยแทรกกันเลยบอกว่า สอให้กําหนดกําหนดดูที่กามอยู่ที่รูปนะกำหนดแต่รูปปุจจ ա บบอกให้ดูทั้งสามอย่างแกก็เถียงเถียงพุเจ้าก็เถียงกันปุจจักรปุจจักก็ยืนยันคําเดิมแกก็เถียงอีกก็มานล้วเออพระพุทธเจ้าติงท่านทั้งสามครั้งเนี่ยติงสามครั้งเลยแล้วก็ต่อหน้ากษัตริย์ด้วยนะทีเ่เราไปควรอยู่ที่นี้ยเลยก็ตะเลิดเลยไปเลยนี่เป็นวิธีกรรมหลาบ เป็นกรรมราบต้องการจะเตือนให้สติแต่ว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นเพื่อนกันมาสักดีเท่ากันมา ก, ก่อนไปสอนอะไรก็ตรงตรงไม่ได้นะสอนอะไรก็ต้องรงไม่ไ ด, นะออไไมได้มันก็ต้องเตือนต้องการเตือนให้สติแล้วก็ไปอ้อมไปพูดกับท่านมหานามะเพื่อท่านดาวดุแทงขึ้นมาและลงจะได้เตือนให้ได้สตินะท่านก็ไปจากที่นั้นนะไปไปปฏิบัติยังไงก็บาลีไม่ได้บอกไว้นะฮะนี่คือแนวในการกำราบแต่ว่าด้วยกุศลและเจตนาไม่ต้องการให้ไปติดอยู่ตรงนั้นเพียงอย่างเดียว ในยา น, นี้ก็ก็มีลักษณะอย่างนี้หมายความต้องการกำราบให้เกิดสํานึกเกิดมองเหตุมองผลที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็ส่งแสดงให้เห็นว่าจริงๆและมันมีวิธีการแสดงธรรมะเพราะงั้นที่พระเหล่านั้นฟังนั้นมันก็เป็นความจริงอย่างที่ท่านเชื่อนั่นแหละโดยนัยยะหนึ่งแต่บางนัยยะมันก็เข้าใจไม่ได้เพราะบางนัยยะมันก็เห็นแล้วนะฮะว่าที่ทรงแสดงโมระประย า, ยาสูุที่ท่านเหล่านั้นงงหมดเลย แล้วก็ได้หลักทําใหท้ทรงแสดงหลักว่าตถาคตนั้นแสดงธรรมะอยู่สามแนวด้วยกันนะคือแนวหนึ่งก็เรียกว่าแสดงธรรมโดยผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถรู้สามารถเห็นธรรมะทั้งหลายนั้นจะอยู่บนควรรู้ควรเห็นทั้งนั้นแหละแต่วพื้นฐานของผู้ฟังเนี่ยเขาเป็นใคร บางอย่างมันก็สูงเกินไปไม่ถึงคราวที่จะพูดก็ต้องเว้นไว้ก่อนบางคราวมันมีความสลับซับซ้อนถ้าพูดคนกลุ่มนี้มันก็งงหมดอ่ะมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราก็ต้องยกเว้นไว้ก่อนไม่พูดในน่การะเทศะในเรื่องที่จะพูดเรื่องที่จะสอนว่าจะสอนการละเทศะยังไงอา่าที่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนการบอกความให้ อุปชาสอนก็เรียกว่าแต่จะปัญยากาศกรรมฐานสอนเรื่องมงคลแลื่ความนังะ น, น, นะเมื่อก่อนนะี่ยังไม่ได้สอนตรงนี้นสอนตอนที่เขายังเป็นนาคยังไม่ได้เป็นนาคในขณะปรงผมในสอนไปด้วยผมมันก็ร่วงลงไปแล้วก็ให้ดูพิจารณ์ก็อธิบายไปเรื่อยๆคนไม่คุนะ้นคนไม่คุ้นไม่เคยมองในในแง่อย่างนั้นเลยเราก็ถือของสวยงามรับ เขาประดับประดาปรุงแต่งโดยวิธีการต่างๆสารักฉาล้างกันมาตลอดผู้เจ้าสอน้มองปฏิกูลมันฟังไม่ได้เพราะบางบางคนไม่บวชนะคไม่ยอม บ, บวชเลยนีเอ้ยพระอะไรมาพูดไม่รู้เห็นไหมกาละมันไม่ให้กาละไม่ให้เพราะงั่ต้องเปลี่ยนกาละมาเปเอามาสอนเมื่อเขาขอบวชแล้วเปี่ยนเวลาเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วตัดสินใจจะบวชแล้วเราก็พร้อมที่จะไปเฉยเพราะมันในคําขอบรรญชาสมบูรณมันยืนดันนะ ยยันเจตนาที่จะบวชเป็นลักษณะมอบกายตวายชีวิตต่อพระพระรัตนตรัยไปเาะมันก็ตรงนี้ก็สอนตัวนี้แล้วมันก็ดูที่กลุ่มคนดูที่การะดูที่สะดูที่พื้นฐานดูที่อัตยาศัยของคนว่ามันจะควรจะพูดด้วยภาษาอะไรก็ยังจะเกิดความเข้าใจแต่อย่าลืมมาตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นมครคเป็นมครคก็คือถนนนะ่ะถนนกี่สายก็ได้ร้างมันนะ่ะ แต่ว่ามีจุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นคือแน่นอนพะจุดหมายปลายทางนั้นจะไปมีจุดบรรจบของมันเองจุดบรรจบที่ชัดเจนที่สุดมันจะเริ่มที่มนุษย์สมบัตินะเราจะเห็นว่าความสมบูรณ์ระดับมนุษย์มันก็คนสัมผัสได้เหมือนกันแต่ที่ชัดยิ่งขึ้นไปก็คือสวรรค์สมบัตินะ ห, หมายความว่าจิตมันเป็นยางงั้นจะบังเกิดสวรรค์ยั ง, งั้นย ง, งั้นย ง, งั้นแล้วคนก็สัมผัสได้ แต่ถ้าชัดเป็นแน่นอนยุติเลยแน่นอนก็คือนิพพานสุบัติหมายความวาพระอริยะบุคคลในละสังโยได้สามเหมือนกันหมดเลยละได้เหมือนกันหมดทุกๆคนไม่ว่าสักกี่คนก็ตามนั้นเหมือนแล้วก็เสมอกันารเสมอกันระดับของจิเลติละได้แต่เสมอนในกลุ่มของท่านนะฮะเพราะว่าที่จริงมรรคดา บ, บัติไดมีอยู่สามกลุ่มเสมอกันในแต่ละกลุ่มนั้นก็คือก็คือสิ่งที่เรียกว่า สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับจิตใจของผู้ฟังไปโดยลําดับในตอนตอน้นๆมันมั น, ม, นมันหาความเสมอไม่ได้เราพวามจริงก็คนเราก็ขึ้นขึ้นลงลงนะแม้แต่รักษาศีลห้าเองก็ขึ้นขึ้ น, นลงลงเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้จึงเรียกว่าอนุโลมคือคลอยตามไปเรื่อยๆก็ดูคนดูคนบาคนเนี้ยจะพูดเขาอย่างไงก็คลอยตามเขาไปแล้ดูแล้วคล้ายๆกับเราเร า, เราอะไรละ่ะ เราติดต่อกับคนนะฮะต่อกับคนว่าคนก็อยู่ต่ำเนี่ยเราต้องก้มลงไปสัมผัสเขาให้ได้บางทีต้องนั่งนะฮะบางทีอาจจะต้องนอนเน่ยยังยังยังจะเล่นกับเด็กนะฮะเด็กก็นอนอยู่มันก็ต้องต้องอย่างน้อยเราต้องนั่งไงนะฮะต้องนั่งจรงจะเล่ น, นกันกได้แต่เรายืนมันก็เลิกเลิกเลิกเลิกพูด ก, กันเลยเห็นไหมมันมายมันก็ต้องปรับตัวเข้าหาธรรมะต้องปรับเข้าไปหาคน เพราะอะไรเพราะว่าธรรมะที่จริงเนี่ยมันเป็นของลึกอย่างที่ทรงพิจารณาตั้งแต่ต้นทีนี้ก็ทำยังไงว่าทําให้ตื้นขึ้นทำให้ตื่นขึ้นมครับเอาแค่เนี่ยผู้เฉพาะตรงนี้เท่า น, นี้สมับพคนกลุ่มนี้ธรรมะจึงมาลดหลั่นกันขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเย็นว่าเช่นเสมมติว่าสอนเรื่องทานทานมันก็เป็นปริยายเป็นปริยายในการเทศบางทีจะไม่พูดเรื่องทานทําบุญนะนี่จะไม่พูดพูดเรื่องแบ่งกันกินแบ่งกันใา้ พูดเฉพาะตรงนี้ครอบครัวเพื่อนฝูงนี่วงศาคณะญาติแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เล็กน้อยน้อยก็แสดงอัธญาศัยไมตรีไม่พูดเรื Duke, B emos. B emos. B en ่องไปทําบุญท en ําทานอะไรไม่พ right. ูดมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาพูดกันตรงนี้ก่อนคุณสร้างความสุขในครอบครัวกับเพื่อนฝูงคุณได้ก่อนเะยแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอปป้ามาเรนะแสดงอัธญาศัยไมตรีต่อกัน ว่างๆเกิดมาคนก็มีพื้นฐานที่จะไปได้นะฮะศรัทธามันเพิ่มขึ้นกำลังทรัพย์ก็มีพอซึ่งไป็นงุนทรธรรมะระวังที่กำลังทรัพย์มากกำลังทรัพย์มากถ้าทรัพย์ไม่พอเนี่จะไม่สอนเลยจะไม่สอนเลยนอกจากว่าเราจะเห็นว่าสอนที่คนสละทรัพย์หมดตัวเพราะข่มอยู่เอกสารดกเนี่ยเพราะทรงเห็นว่าคนเนี้ยจะรอดพ้นด้วยการ น, นำทานตรงนี้ได้ ผู้เจ้ากุเทศบรรยายทานจะหลือเกินนะวันนั้นต้องการให้เกสละกผ้าข่มพื้นนี้ให้ได้เพราะถ้าเกสละได้แล้วแกก็รอดตัวแล้วชีนเนี่ยทาไปต่อมาแกก็จะดีดายนะถ้าเกวศสละได้ก็ตอนปลายมปัจฉิมยามใกล้รุ่งไปแล้วนะสละได้เป็นทานที่ให้ผลในวันนั้นแกก็แล้วปรัรงวัน อย่างของละแปดหมดแปดหมดแปดอย่างเยอะกลายเป็นครื่อหบดีย่อมยอมหมายความมาพ้นทุกไปเลยจะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจถ้าเน้นอย่างนี้หมายความทรงเห็นผลที่ดีกว่านั้นถ้ายังไม่เห็นผลเพราะมันมันมันไอ้ฐานเดียขึ้นเกิดในสงอย่างนั้นมันมก็อหนึ่งในล้านนะนะหนึ่งในล้านเดีมันหนึ่งในหลายล้านด้วยทาไปพสมัยพระพุทธเจ้าจริงๆมีคนเมียงหกคนนั่นเองที่รับผลของฐานในวันนั้นให้เสร็จได้รับผลเลย รับผลเป็นเป็นความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปเลยมีฐานะเศรษฐกิจมั่นคงจากสามัญชนจากลูกจ้างไปเป็นเศรษฐีมีเพียงหกคนเท่านั้นเองไม่ได้มากอะไรนะฮะเพราะนั้นหนึ่งในกี่ล้านเราก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหลังจากนั้นมามันก็ไม่มีใครที่ได้ที่ได้รับผลทานขนาดนั้นอันนี้ก็ก็ก็จะดูไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆอย่างว่าคนบางคนในศรัทธาแรงมาก ถ้าขืนไปไปไปรบกวนท่านเนี่ยท่านมีปัฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีอะเช่นพระยาบุคคลรนดับโสดาบันเนี่ยท่านเห็นพระสงฆ์นะท่าไม่กินนะถาวายเลยอะ่ะเห็นพระบินณบาทเนี่ยถาวายเลยเราไม่ได้ตายแล่ได้โยมตายหมดเพราะนั้นผู้จ้าถึงห้ามเป็นวินัยไปเลยห้ามพระไปบินทบาทบ้านพระยาบุคคลเว้นไว้แต่ท่านนิมนต์จอดจงไปเห็นแต่ท่านนิมนต์ไปถ้าไปบินฑบาท แล้วก็เห็นว่าฐานะก็ไม่ดีอยบหยบไปเขาไม่มีปัญหาแล้วเรื่องศรัทธาในเขาไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเขาก็ปิดประตูนรกได้แล้วนะฮะไม่ไปต้องเสริมเรื่องทานเขาเหรอกแต่ย่าลืมมาทำไมไปเสริมเรื่องทานเมื่อก็กลับมาที่ประสูทธประสูทธ์ทธหนึ่งที่พระราชธิดาเขาไม่เจ้าประเสริฐนิโกรสถามเรงคนสองคนนะ่ะถามเรื่องคนสองคนว่าคนหนึ่งให้ทานคนหนึ่งไม่ให้ทานเนี่ยแล้วแต่ว่าปฏิบัติธรรมะปฏิบัติมีศีลมีธรรมด้วยกันเนี่ย มันจะแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกันตั้งแต่ตั้งเกิดมาเป็นมนุษย์แตกต่างกันยังไงบอกผู้เจ้าว่าแตกต่างกันว่าคนให้ทานเนี่ยก็จะเกิดในสกุลที่มั่งคั่งร่ำรวยคนไม่ให้ทานมันจะเกิดในสกุลธรรมดาธรรมดาทีนี้สมมุติว่าออกบวชอะออกบวชก็บอกว่ามันจะแตกต่างกันว่าคนที่เคยให้ทานมันนั้นจะอุดมสมบูรณ์ด้วยจเจเลกะลาทั้งหลายสามารถที่จะจุนเจือช่วยจุวเหลือบุคคลอื่นได้ แต่คนที่ไม่ให้ทานนั้นบางทีจะลําบากมากจะยากแท้แสนขินในบินทบาทบางทีก็ไม่ไม่ดันนะฮะมีแต่ลมอยู่ในบาทอันนี้มันเป็นเป็นเงื่อนไขจะตามไปอุปธรรมสนับสนุนตรงอื่นไม่มีปัญหาแต่ถามมาพอบรรลุมรรคผลเป็นพระหาหน่าต่างกันไหมพระพุทธเจ้าบกไม่ต่างกันในจุดนี้แต่ว่าจริงๆในแง่อัติเดชกลาศต่างกันนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างพระสีวลีนี่ท่านท่านนะท่านเหลือกําลังเลยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยต้องอาศัยบา ร, รมีท่าน คนมากกี่คนก็ไม่รู้ภาษาอุีวิบรีดอยู่ด้วยแล้วก็มีคนแห่กันมาจากไหนก็ไม่รู้มาเลี้ยงพระได้เรียบร้อยเลยพระจะไม่มีปัญหาเลยแม้แตนะ่อยู่ในดวงในป่านะในดวงในป่าก็จะมีคนแหกมาไปหาท่านนี่คือจะสอนเพื่อเสริมเขาเรียกพวกนี้เป็นเป็นปัจจัยนะเป็นปัจจัยเครื่องอัศัยในการดํารงชีวิตในการหมุนเวนอยนในสงสารวัตรก็ต้องมีเพราะพระสดา บ, บันเองพระสดา บ, บันเองแต่ยังต้องเกิดดีแก่ ยังเกิดดีก็ต้องก็ต้องช่วยเสริมตรงนี้แต่ทีนี้ถ้ามันไปไม่ได้อะมันมันจะมีปัญหาในปัจจุบัติก็อย่าไปรบกวนเขาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขา ป, ปิดประตูจตุรบายนายแ้วธรรมะเหล่านี้จึงเป็นเขาเรียกอนเนกกับมปัญยญายบางทีเราไว้ติดใจในชื่อนะฮะติดใจในชื่อจริงๆเราชื่อไม่เคยเกี่ยวอะไรอะไรเพียงแต่ว่านายะหนึ่งทรงสอนระดับเนี้ยสมัครชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ทรงสอนระดับนี้อย่างที่ยกตัว ตัวอย่างเมื่อกี้ที่ว่าศีห้ามันก็คือคืออริยมรรคเห็นไหมศีห้าก็คืออริยมรรคอริยมรรคศีห้าก็คืออริยมรรคข้อที่สัมมาวาจาสัมมากัปปะสมาชิวะเพราะว่าอธินาทาเนี่ยพอพัฒนาขึ้นไปแล้วถึงจุดหนึ่งก็คือสมาชิวะคือสมาชิวะนั่นเองหมายความมัน ก, ก็ยุบออกไปในในในในคุณธรร ม, มเรียกด้านเบญจธรรม ปานาเองพอเดินไปถึงเมื่อก็อยู่ที่เมตตาเห็นไหมมันก็กลายเป็นเป็นเป็นเบญจธรรมธรรมะที่เป็นหลักคุ้มครองใจของบุคคลเยวว่างว่ต้องไต่ต้องไต่ไปก่อนแล้วที่นี้บางทีก็เวียงไปแสดงเรื่องกายกรรมมรรจกรรมมโนกรรมนะฮะก็ไม่มีอะไรอะกายกรรมมรรจกรรมมโนกรรมก็คือศีลห้านะคือศีลห้านั้นเองเพียงแต่ว่าซ่อนเพียงแต่ว่าซ่อ น, อ, อ, นอีกสามอย่างเอาไว้ในคำมุมุสาว่า นะผู้สซเซียดก็คือเท็จนะฮะผู้คําหยาว ก, ก็คือเท็จพูดเพื่อเจอก็คือเท็จแต่ว่าอยู่ในคําว่าเท็จคบเนียวตรรยาเท็จก็แล้วกันแล้วไอ้นไม่ไม่ต้องไปนับตัวเลขมันก็พูดในตํานองอะไรพูดตำนานมากินข้าวอ่ะไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแต่ว่าผลต่อเนื่องจากการกินข้าวมันมาเองแล้วเขาเ ป, เป็นสัมผัสตรงของบุคคลเหล่านั้นทีนี้เมื่อเขาเห็นคุณค่าวเขาเดินไปสู่สัจจะเพราะสัจจะมันก็เรียบร้อยแล้วเรื่องวาจาเนี่หมดสิ้น ไม่ต้องไปนับอะไรอีกแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการพูดที่เป็นคําศัตท์คําจริงคําศัพท์มันก็ต้องเกิดประโยชน์เสริมสร้างสางส ม, มัคคีประสานสามัคคีกระเจ้สามัคคีนะฮะพ้าคําในพูดลงมาก็มีเมตตาเป็นฐานอาจจะดุไปบ้างนะอาจจะตำหนิไปบ้างที่จริงก็เกิดขึ้นด้วยเมตตาแล้วคําพูดที่เขาได้ยินในความก็กลายเป็นคําที่มีสาระประโยชน์นั้นก็คือเป็นวัาหารในการเทศน์การสอน เราก็ไปที่กุณลกบบ ก, กบดตั้งแต่เนื่อกุณลนกบดมันก็คื อ, อ น, นี่เองอ่ะก็คือนี่เอกอ่ะในภาคปฏิบัติเราจะเหมือนกันทั้งหมดภาคปฏิบัตินี้คือกลุ่มของมาร์กนะเราเห็นว่ากลุ่มของมาร์กพอปฏิบัติจริงมันก็ไปทางเดียวกันแต่ทีนี้บางทีก็จะไปสอนในกลุ่มอืน่นอาจจะว่ากลุ่มคนบางคนเนี่ยโดยโดยเฉพาะก็มีปัญหากับขันเขาในก็ร่างกายเขาเนี่นะนอุดอัดลำคัญ ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้มีโรคอย่างนั้นอย่างนี้มันยุ่งเดยกับร่างกายอะไรเงี้ยคเจ้า ก, ก็มองมองที่กายเพราะมันมันเป็นปัญหาที่กังกางชัดมันมีพื้นอยู่เยอะแล้วมีพื้นเนีเขาเข้าใจยเยอะแล้วอย่างเนี้อย่งอย่างอย่างย่ ง, ยงที่สอนว่าร่างกายนี้ไม่นอนหนอไม่นานแล้วจะลม้ลมลงเหนือแผ่นดินพวิญญาณออกไปจากร่างแล้วมันก็เหมือนกระ thon ไม้มกระ thon ไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ทำไมต้องพูดอย่างนี้นะ เพว่าพระรูปนี้ที่พระเจ้ารับสั่งด้วยเนี่ยพระติสสะปุติยัตตานี่นะท่านเป็นโรคปุ่มเล็กๆเกเิดขึ้นปุ่นี้เดี่ยมันแตกขยยใหญ่ลมันแตกน้ำเนลืองเยอะไม่หมดเลยนะะกระดูกกระเดี้ยวนี่ออผุกล่อนนอนไปไหนไม่ได้หมิ่นเหม็นเหม็นเห ม, ม, ม, ม็นมากเข้าใกล้ก็เหม็นเลยพระก็ขยะขยงไม่อยอมเข้าใกลพ้พระเจ้าเห็นว่าไม่ได้เรื่องเนี้ยก็เสด็จไปเองเลย แตปเองต้มน้ำเองเลยชำระเช็จเนื้อถือตัวเองพระก็กุลีกุจอวิ่งมาเป็นแถวแล้วก็ไม่ไม่ต้องห่วไงไรนะฮะพอท่านสบายแล้วพระเจ้าก็เกิดให้สอนในดูลพระเองเองว่าล้อมวงดูล้อมวงดูตรงนั้นก็เห็นความจริงตามที่ทรงแสดงพระิสระเองก็มองก็ปล่อยวางขั น, นก็บรรลุมรผลเป็นพระหันได้หรือว่าการการพูดถึงถึงชีวิตร่างกายนะฮะ ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาการนำจิตสงบประงับเรสังขารทั้งหลายนั้นได้ก็เป็นความสุขเราก็เรียนจากศพนางสิริมาเอ๊นางนางสิริมาสิมาซึ่งเป็นนักราชโสดภณีมา่ก่อนนะฮนะเป็นเป็นผู้หญิงที่คนเข้าไปไม่ได้ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะนางไอ้หญิงโสดาภณีนี่นะนักราชโสดภณีไม่ใช่โสดาภณีนักราชโสดาภณี เป็นฟังดนตรีไปคุยไปดื่มอะไรต่อะไรกันท่านนั้นเองไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับกับเรื่องมีเพศสัมพันธ์อะไรเป็นตําแหน่งทางราชการนะฮะเป็นตําแหน่งทางราชการแล้วท่านเหล่านี้บางท่านก็บรรลุมรควนเป็นพระหรันเป็นก็มีอย่างท่านอมาบาลีนะฮะอมาบาลีคณิกาที่ถวายสวนแกพระพุทธเจ้านนะ ก, ก่อนจะนิพพานนะฮะก่อนก่อนจะนิพพานต่อมาเป็นพระปิ่นภมีอรหรนะนะันนะฮะทีนี้ถ้าถ้ า, ถาหากว่าท่านจะมีเพศสัมพันธ์ก็มีสักคนหนึ่งนะฮะ ก็คือสามีสามีลับๆไปนะก็มีลูกมีเต้านะมีลูกมีเต่ายังพวกหมอชีวกเนี่ยก็ลูกนางสารวัตรีแม่ก็เป็นนะครับโซเปนีสิริมาก็เหมือนกันนะะลูกนางสารวัตีก็ศพเนี่มันช่วยมากช่วยมากเลยนะะช่วยมากเพราะงั้นก็พูดเรื่องตัวนี้ยทีนี้พระที่มาเองเนี่ยก็สนใจเรื่องนี้มีความสนใจมีคันได้ยินข่าวนางศิริมามาเพาสวยยังไงเวรนี้เขาขายศพกันยังไงไงใจท่านก็จดจ่ออยู่นั่นแน่น่ะ จนถึงว่าให้เปล่าๆก็ไม่มีใครเอาแล้วกเอามาเรียนก็มาศึกษากันก็เรียนอจิระเออนิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เจียงหนอกอุปนิยัติธรรมมโนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตตวานี้ทันที่เกิดแล้วก็ดับไปนะเกิดแล้วก็ดับไปก็ก็เห็นเห็นตัวเนี้ยเห็นเห็นตอนตอนท่านดับมันก็ย้อนกลับไปสู่อดีตก็คือท่านเกิดเกิดมาเท่าไรก็เกิดมาคนหนึ่งก็ดับไปคนนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปก็ทุกคนก็เกิดมันก็ดับไป เพราะฉนั้นที่พระเหล่านั้นท่านวุ่นวายไม่ส ง, งบมาตลอดเน่ยนะโดยเฉพาะพระที่ที่ที่ไปบินธบเ ท, ที่ยงค์ลากไใจท่านไม่ส ง, งบท่านเป็นทุกข์พอมาเห็นเข้าวมันก็เกิดขึ้นมาจากจิตที่ไปจิตก็รับสั่งว่าเตสองหูเปสมุทรสุโภอาการส ง, งบระงับในขัดในสังขารนา่ารักแต่ได้ก็จะเป็นเป็นความสุขนั่นคือประกอบก า, ารสงฆ์อนุโลมตามอนุโลมตามพื้นฐานในการในการ การแสดงธรรมะในกรณีนั้นๆเพราะงั้นถ้าแต่เราสาวที่ไปที่มาแล้วนี่จะเห็นชัดเลยว่าไหลไปตามความรู้สึกของคนในขณะนั้นๆมันเป็นกระแสเป็นกระแสของธรรมะนะความสนใจใส่ใจร่วมกันของคนในกลุ่มหนึ่งถ้าความสนใจแนวเดียวกันมันก็ไม่แปลกอะไรก็เทศรวดไปเลย ในที่นี้บทที่ความสนใจหลากหลายเนี่ยความสนใจหลากหลายแต่คนมาเกาะกลุ่มกันคุณมาเกาะกลุ่มกันก็ต้องยักย้ายต้องยักย้ายเปลี่ยนแปลงมาทําอธิษฐานมีวิธีในการอธิบายให้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนว่าคนทุกคนได้รับประโยชน์จากการฟังในครั้งนี้ก็อุปมาว่าพระเจ้าเทศเนี่ยมันเหมือนกับคนมองดูพระจันทร์บนท้องฟ้ามันมีความรู้สึกพระจันทร์อยู่เหนือหัวตัวเองทุกคนมีความรู้สึกพระเจ้าพูดกับเขาพระเจ้าพูดอยู่กับเขาไปแล้วเนี่ย แล้วก็รู้สึกตัวเองมีความสำคัญก็มีความสนใจมีความตั้งใจแล้วก็ในในสุดก็บรรลุผลไปธรรมเทศนาบางอย่างจึงสูงมากฟังยากเข้าใจยากได้เกินนะแต่ว่าสมรับเขาคนนี้คนที่ฟังในขณะนั้ น, นก็ไม่ยากอะไรสมรภูมินะเพราะยิงพื้นฐานเขามีอยู่ พื้นฐานก็มีอยู่อย่างอย่างเนี้ยอย่างพระโมคคะราที่พูดทีเดียวเป็นหน้าตาแล้วก็พูดคาถาสอสามบรรทัดแต่ในเองมรรลุมพฏิพานเะนี่ยนะฮะยิ่งกว่า菩าดิบุตรเสียอีก菩萨ดิบุตรท่านได้แก่โสดาบันดังนั้นเองนะฮะแต่พระโมคคะราตรวดเดียวเลยนะฮะได้ได้เป็นพระหันไปเลยแต่ว่ามันมองยากนะฮะดูก่อนโมคคะราติเธอจงมองโลกนี้ด้วยความเป็นของศูนย์คือไม่มีอะไรเลยแลระถอนอัตตานุิติคือความรู้สึกว่าเป็นเราออกไป ความรู้สึกเป็นของเราออกไปความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขอเราออกไปแล้วถ้าทําได้อย่างนี้แล้วก็จะหลุดพ้นจากความตายพูดง่ายๆไม่ต้องตายกับผู้เป็นไทยนะว่าไม่ต้องตายกับไอมกุลราชถามว่าจะมองเห็นโลกอย่างไงมัจุราชจริงจะตามไม่ทันคือไม่ไปสู่อำนาจของความตายไม่ตายตัวหัเจ้าก็ตอบอย่างนี้ความสนใจท่านสูงมากใช่ไหมความสนใจท่านสูงมากท่านต้องการหลุดพ้นจากความตาย เราทํายังไงจะหลุดพ้นจากความตายได้เหมือนพระพุทธเจ้านะต้องการจะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายที่ตรงเห็นที่วัตถุนี่ยมันทํายังไงจะไปได้มันก็ต้องสาวไปที่ตัวเหตุแต่พระพระมกราชเองนั้นท่านไปมองที่ตัวผลนะแต่ท่านยังยังรู้สึกว่าเป็นท่านอยู่แหละพระพุทธเจ้ า, าตะโโบ้องถอนตัวนี้ออกไปตัวเป็นเราเนี่ยออกไปเถอะรู้สึกว่าเราเนี่ยออกไปให้เราเนมะื่อกถ้าเราเอาเราออกไปจากอะไรก็ตามนะจะไม่เดือดร้อนรเรื่องเรนะ เราไปต่างประเทศเรารู้สึกบวมโปง่ปงโปง่งสบายดีทัศนาจรต่งางประเทศสบายดีถนนทางเรียบร้อยมาคุยอวดเนะี่ยที่จริงไอ้สกปรกแล้วเทอามีเยอะไปเลยสิงคโปร์ก็เถอะมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็บ้านเมืองมัวคนอยู่นะฮะแต่เพราะอะไรเพราะเราไม่ยึดเราเป็นของเราเราไม่ยึดเราเป็นเพราะเพราะเราไม่ได้เป็นคนสิงคโปร์เห็นไหมเพราะเราไม่ได้เป็นเมื่อเราไม่เป็นก็ไม่ใช่ของเรานะแต่พอมาถึงเมืองไทยแล้วก็หมดุดหินะอ่ะนั้นก็ของเรานะฮะอันนั้นก็ของเราของเราไปหมดเลย เพราะเราเกิดไปยึดโดยความเป็นของเราเพราะฉะน้นพระเจ้าจบอกถอนตรงนี้ออกถอนความรู้สึกอัตตาโนติจิคือความเห็นว่าเราความเห็นว่าเราหรือความเห็นว่าเป็นตนเนี่ยเป็นต น, น, น, ต น, นออกไปแล้วก็จะหลุดพ้นจากความตาทีนี้ถอนตนออกไปได้พระพุทธเจ้าอรหันเนี่ยนะว่าอรหันด้นั้นเองนี่ก็เราจะเห็นว่าพื้นฐานท่านสูงก็ธรรมะก็ตายขึ้นไปสูงว่าสูงเป็นเรียกว่าอนุโลมเทศนะ แต่ถามว่าภาษาตรงนี้คืออะไรก็คือไตรลักษณ์จริงๆก็คือการเจริญไตรลักษณ์และอริมัคคืออะไรคือสมาธิฏฐิก็ะต่นนั้นเองนะคือสมาทิฏฐิเป็นการมองไตรลักษณ์คือขันทั้งหลายเนี่ยด้วยความเห็นในทางที่ชอบแต่ที่เราเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเรามองเห็นไตรลักษณ์มองเห็นขันในทางที่ผิดนะเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วเราก็เดือดร้อนอยู่ตลอด จริงๆมัน Finanz, มันมันไม่มีทั้งเราทั้งเขาแต่โลกที่มันเดือดร้อนมีเรามีเขาท่านท่านทั้งหลายลองลองสังเกตออกแม้แต่เลือกตั้งเนี่ยฮะไม่เลือกเราเขามาแน่เลยเขาก็มาจริงเลยเออมันมันมันเกิดแบ่งเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเกิดแบ่งเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาซึ่งจริงๆคําเหล่านี้ไม่ควรใช้นะฮะคำเหล่านี้ไม่ควรใช้เลยเพราะว่าเราด้วยกันนั่ยนะฮะเราด้วยกันคือไทยเราด้วยกันสร้างความเป็นเราเป็นเขามันก็คือรู้สึกแบ่งเป็นขั้วที่ชัดนะนะฮะ เมื่อก่อ น, เ, น, นเราขั้วเทพขั้มานนนี้เราขัวเราขั้เขาก็คือสองขั้วเหมือนกันเห็นได้ชัดเลยนะเห็นได้ชัดเลยว่าค้นจากการแบ่งมันก็ออกมาในลักษณะนั้นการสร้างความรู้สึกแบ่งแยกเนะี่ยคั้ว ก, ก่อนก็คือเทพมานี่ไหมเทพก็ถือว่าตัวเองเทพก็เกาะุ่มเทพพวกมานก็เกาะกลุมมารมันก็อาละวาพรรคเดียวเลยนี่ก็เหมือนกันนะนะเพราะงั้นความรู้สึกเหล่านี้เราจึงมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทุกคนทุกแข่งนะทุกๆ ท, ท, ท, ทุกกรณีไป ทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและสามารถรู้สามารถเห็นบางทีก็ไปสอนกับเด็กๆนะเราเห็นว่าสอนกับเด็กๆอย่างสอนพระราขุนตอนเด็กๆ เ, เนี่ยวนเด็เดกๆ เ, เนี่ยไม่มีอะไรนะตักน้ําใส่กระลานั่งมานั่งคุยกันกน้าในกระลานะตักน้ําขึ้นมาเราขุนนี่น้ำนี่น้ําตักมาก่อนครึ่งนะฮะตักมาก่อนตักมาก่อนติดติดอ่าติดนิดหน่อยติดน้ำนิดหน่อยถามว่านี่อะไรเปลืองน้ะนะ บอกว่าคนเราเนี่ยถ้าถ้าโกหกถ้าโกหกแล้วเนี่มน ย, ยมันใช้ประโยชน์อะไรมันได้มันน้ำนิดหน่อมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรด้ล้างมืออะไรไม่ได้นะแล้วก็เทน้ําแล้วก็ตักใหม่เทน้ําก็ตักใหม่แล้วก็พูดถึงทําไม่โกหกเนี่ยเหมือนกับน้ําที่เต็มภาชนะมันใช้อะไรได้ประโยชน์ดได้แล้วก็สอนตำดาตมดาก็คุยกันเพราะว่าเห็นว่าเด็กเนี่ยโกหกไม่ได้เนนก็เนนเถอะเน้นก็คือเด็กกันนะ นี่นี่คเด็เพราะงั้นมันต้องแก้เรื่องโกหกให้ได้สักกัดทายังไงย้ายเธอโกหกได้เป็นๆ เ, เ, เป็นการพูดง่า ย, ายๆธรรมดาธรรมดาเนี่ยแล้วที่ที่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือบรรยากาศบรรยากาศใี่มันอบุ่นบรรยากาศอบ่นบรรยากาศที่มีพลังของกรุณาเนี่ยมันแผ่ไปคือให้ความเยือกเจ็นแก่คนที่ฟังอยู่ในขณะนั้นๆแล้วทรงทางสอนมีเหตุ ที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามนะฮะทั้งสามระดับเราจะเห็นจริงแบบนั้นแต่จริงๆแล้วต้องปฏิบัติจริงๆแล้วมันต้องเกิดจากการปฏิบัติคือสัมผัสตรงน ะ, ะสัมผัสตรงพอพอสัมผัสตรงเราจะไม่เถียงเห็นไหมการถกเถียงที่เขาเรียกพระโสดาบันเป็นทิฏฐิสามัญญตาเป็นที่สัมปันนะนะสมบูรณ์ในทิฏฐิเพราะงั้นในหมู่ท่านเนี่ยเขาเรียกทิฏฐิสามัญญตาคือความเห็นเหมือนกันหมดพระโสดาบันไม่ต้องห่วงท่านอยู่สักลาสองค์ถามองค์เดียวพอแล้ว ตอบเหมือนกันนั่นแหละทางล้านองคนั่นแหละต อ, ตอบเหมือนกันเพราะยุติยุติด้วยหลักยุติด้วยหลักมันคือน่ยมาก็อัดเทพรายการวิทยุพูดเรื่องเนี้ยพูดเรื่องความเห็นดั้มต้องลองของธรรมบอที่เราอภิปรายตเสียงเสียเวลานั่นเองเสียเวลามันเป็นปัจเจกชนพูดไปเถอะมันไม่มีใครยุติได้หรอกมีเพื่อนค้านได้ตลอด แต่ถ้าเราทำนองครองธรรมาวางปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บลงไปมันหาข้อยุติได้เพราะครองธรรมมันเป็นสากลนะครองธรรมมันเป็นสากลนะเช่นว่าสามัคคีธรรมเนี่ยมันเป็นครองธรรมทุกคนก็เรียกรองสามัคคีทีนี้สามัคคีไม่ต้องอภิปรายอนะถ้าเราสามัคคีกันมันก็อยู่ในครองธรรมแล้วกันถ้าเราอิวาทความรักรกันเป็นในหนึ่งเงินเดียวกันตรงเพราะโนเพราะอะไรแต่ไรสามัคคีเอกภาพมันเกิดเองให้เราอยู่ในครองธรรมให้ได้ วพราะนศาสนาจึงไปวางระดับธรรมะที่ประตยไว้เดี๋ยเวลาถกเฉียงไม่นั่งอภิปรายกันเนะดี๋ยวเวลาครองทําว่าอย่างไงว่าอย่างนี้แล้วปฏิบัติข้อยุติพอปั๊บเขามาันไม่มีใครค้านนะนะเช่นถือว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปเห็นไหมใครกล้าค้านนะี่ะมันก็บาปอย่างนั้นนะบาปทั่วโลกอย่างนี้มันครองธรรมมันเป็นอย่างนั้นก็เลยคันลองแห่งธรรมรุกครองแห่งธรรมแต่โบราณมันใช้กำว่าธรรนองครองธรรม มันเป็นเส้นที่จะบอกอย่างเงี้ยมันมัไปอย่างเงี้ยคุณออกไปนอกนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้มันไม่ใช่คลองธรรมเหมือนกับวิ่งเรือก็วิ่งไปในคลองแล้วไม่ไม่ไม่มีปัญหานะฮะวิ่งรถก็วิ่งไปบนคลองถนนก็ไม่มีปัญหาอะไรตกไปซ้ายก็ไม่ดีขวาก็ไม่ดีเพราะมันไม่ใช่คลองมันไม่ใช่คลองที่เราจะเดินที่จริงง่ายนะฮะถ้าถ้าเราจับหลักตรงนี้เราจะง่ายมันไม่ไม่ต้องเสียเวลาผิดพลายกลางดูเลยนะฮะตรงนี้ว่าไว้อย่งไรคลองทํามไว้อย่างไงก็ลงอย่างนั้น เด็กเรนนิติประเพณีนิติประเพณีอย่างสมัยโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าทําไมพระราชาท่านบริหารบ้านเมืองคนเดียวท่านท่านบริหารได้ที่จริง gue, ท่านไม่ได no ้บริ no o, tiden, pas, หารเองมันมีนิติประเพณีอยู่มันมีราชธรรมอยู่มันมีหลักที่ที่ท่านวางไว้แล้วท่านก็เดินไปตามนั้นเดเรียทศพิธราชธรรมราชตังะท่านก็มาก็ท่านอย่างเงี้ยไม่รู้กี่พันปีมาแล้วมาก็ท่านอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ต้องมีใครมานั่งอภิปรายเป็นวันวันสองวันสามวันไม่ต้องไม่ต้องพูดออก มันหาข้ อ, อยุติได้แล้วทําไปแล้วรัศดรก็ยอมรับเพราะมันเป็นครองธรรมที่แต่ละคนต่างก็รู้กันนี่ก็คือก็คือธรรมะนั้นมีเหตุทรงแสดงมาเหตุอย่างนี้ต่อไปผลมันจะเป็นไงทีนี้ผลเนี่ยถ้าเราคิด เ, เราก็มีตัวอย่างให้คิดมีตัวอย่างให้ดูนะเช่นว่าทรงแสดงว่าคนขยันนะจะมีฐานะมั่งคั่งร่ารวยเราก็เห็นนะเห็นคนขยันมีฐานะมั่งคนะัคนเกียรติค้าจะประสบความทุกข์มันก็เห็นนะ่ะ เห็นไะหมีตัวอย่างให้เราเห็นแล้วก็แต่ละเรื่องจริงเราก็เคยสัมผัสได้เป็นคําสอนที่เพียงแต่นํามาคิดสักหน่อยเราก็จะเกิดความเข้าใจนีบางอย่างเนี่ยบางอย่างว่าคําสอนระดับโลกอย่างที่คือยกตัวอย่างคําสอนระดับโลกปุสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเมตตาเป็นธรรมขั้มจุนโลกกิริโอตรปะเป็นธรรมคุ้มครองโลกอะไรแต่ไรนี่นะเราต้องคิดดูนะ เราลองคิดดูว่าสมมติหิริอรุตปาปคนในโลกแต่ละคนเนี่ยละอายปาสะดุ้งโกรธต่อปากมันจะมีอัจฉริกรรมไหมมันจะมีศึกสงครามไหมมันจะมีคอร์รัปชั่นโกงกิงไหมมันจะมีการใส่ร้ายไปสิมันไม่เนี่ยมันไม่มีเองฮะไม่มีเองโลกมันก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุดโดยใช้ธรรมะเพยียงสองข้อเท่านั้นคือฮิริอรุตปาปเราก็เห็นลองลองตั้งจิตคิดนะลองตั้งจิตคิดต่อไปอสมมติเราโดเปลี่ยนเข้ออื่นเป็นเมตตา เมตตาเนี่ยคนจะทําศึกสงครามกันไหมมันก็ไม่ทําอ่ะเพราะว่าค่าคนเน่ยมันก็ขาดเมตตาต่อคนรักทรัพย์ไหมเราก็ทําไม่ได้เพราะเราเมตตาต่อคนเราทรัพย์มันก็มีเจ้าของทางนั้นเราเห็นไหมเราจะไม่ร่วงเกินในทรัพย์สินเงินทองก็การเป็นทุกขพระอาจารย์มีมันก็ไม่ไม่มีเพราะเราเมตตาต่อคนนะเมตตาต่อคนทั้งสองฝ่ายโกหกอ่ะก็ไม่มีเองมันไม่มีอะไรเองฮะโดยธรรมชาติ ไม่ต้องไปนปับหรอกนับมันเสียเวลาลถามว่าศีลละ่ละศีลทั้งหมดศีลไปเองหมดเลศีลที่จริงมันไม่มีอะไรคือการสํารวจระวังการสํารวจระวังทีนี้ถ้าจิตมันเป็นอัตโนมัติไปอย่างนั้นแล้วไม่ต้องสํารวจ ม, มันอนะเหมือ น, นกับถ้านาหลายขับรถเนี่ยท่านขับรถทํานานแล้วมันไม่ไม่ต้องไปเกรงไม่ใช่เลยไปเลย ไ, ได้เลยนะอย่างพวกขี่จั ก, กรยานโมอเตอร์ไซค์อะไรแต่อนะไรมาทิ้งที่เขาทำนานจริงๆ ก, ก็ไปได้สบายเลย มันไม่ต้องไปนับอะไรหนึ่งสอสามสี่ห้าอะไรไม่ต้องไปนับอะไรนั่นคือเราจะเห็นว่าคิดตามแต่เองก็เห็นได้ว่าธรรมะแต่ละข้อนั้นขอเพียงข้อดีไว้ได้ก่อนนีขอให้ได้ก่อนแล้วมันแตกกิ่งก้านสาขาเองเพราะจริงๆแล้วมันมีอยู่สองต้นแต่เองธรรมะนี่คือต้นกุศลนะกุศลมีรากมีมีอวิชากับวิชามีสองต้นนั้นเองมีสองต้นเท่านั้นนะให้ลองสังเกตสมมติว่าอะไรสมมติว่าการงดเว้นจากมุสาวาท ถามมงดเว้นนี่เพราะอะไรเมตตาก็ได้นะเมตตาก็ได้ปัญญาก็ได้สติก็ได้สติอุตประก็ได้ขันติก็ได้กรุณาก็ได้อะไรก็ได้นะแต่ว่าธรรมะเหล่านี้มันมีมันเองไม่ไม่ต้องพูดนั่นคือสะท้อนออกมาในรูปของการพูดคําสั่์เป็นธรรมะที่เห็นได้ชัดขอเพียงหยุดคิดแต่นั่นเองแล้วเราจะเห็นในความต่อเนื่องความต่อเนื่องอาจจะนับเป็นได้เป็นร้อยๆนะฮะ แล้วไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดเหมือนกระทางวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเบื้องนี้เราเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเราที่ยิ่งเราก็เคลื่อนไหวอ่ะเราเคลื่อนไหวม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไมมีไนหรอเวลานี้ก็าเขามาดูอ่ะมาดูว่าเวลาเราเคลื่อนเคลื่อนไหวที่ประสาทส่วนไหนมาทํางานยังไงยังไงมันเกื้อกูลกันยังไงยังไงก็ว่ากันนั่งอธิบายละเอียดถามเราเคลื่อนไหวในเพิ่งเคลื่อนไหวแล้วเราเคลื่อนไหวไม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา แต่เราไม่เคยรู้มันเลยว่าไอ้ตรงนี้มันมีปฏิกิริยาทำไม่ทาไมจึงเดินได้ถ้าตรงนี้มันเกิดมีปัญหาแล้วจะเป็นยังไงอะไรเราไม่เคยศึกษาเพราะวิววธีของพุทธเจ้าก็คือศึกษาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันก็เหมือนวิทยาศาสตร์ทางกายภาพที่มีการศึกษาเรื่องของกายนะุศาสนาก็มาศึกษาเรื่องจิตนี่เป็นหลักเพราะงั้นเป็นปริยายเป็นปริยายที่มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่มีเขต อันนี้เป็นเหตุเป็นความเสื่อมเหตุเป็นความยันสองเหตุตอนนั้นเด็นะฮะสเหตุมันมีที่ไปที่มาของมันว่าผลที่เกิดขึ้นแต่ว่าบางทีจะทรงแสดงแนวอัถตสมัฏฐะธรรมะปฏิสมิธาอะไรเนี่ยฮะหรือว่าอถันอยู่ธรรมันอยู่ที่เราเตะๆได้ยินบ่อยๆเนี่ยบางอย่างนี่ผลมันปรกากฏแสดงว่าเหตุมันมันอยู่อีกแขกหนึ่งเหตุมันเป็นอดีตเราเห็นว่าผลกับเหตุเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่ร่วมกันหรอกนอกจากว่าต้นไม้ ผลไม้ที่อยู่กับต้นไม้เราก็พูดเราเราก็มองได้นะฮะว่าเหตุกับผลมันก็อยู่ด้วยกันแต่บางอย่างนี่ผลมันอยู่ตรงนี้แต่เหตุมันเป็นอดีตนะบางอยู่เหตุเหตุที่ปัจจุบันในผลมันจะมีในอดีตผลไม่ได้เกิดขึ้นในกาลนั้นแต่ผลจะเกิดขึ้นในอดีตการเรียนหนังสือในวันนี้การทํางานในวันนี้การนั่งสมาธิในวันนี้ไม่ใช่บรรลุมรรคผลในปัจจุบันหรอกบางวังกว่าไปเรื่อยๆก่อนแหละ แต่ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนในอดีตแล้วอดีตนั้นที่จริงมันก็ขณะนั้นนั่นคือต่อไปอดีตจา ก, จากนาทีหลังไปต้นไปนะฮะนาทตีต่อไปก็ได้เพราะงั้นเราจรึงเห็นว่าคนบางคนหนึ่งฟังเทศน์นี้เดียวไปแล้ะที่จริงผลเรานั้นมันเกิดขึ้นในอดีตหลังจากนะฮะหลังจากได้ในเทศไปแล้วเพราะงั้นคนสามารถจะมองจากเหตุแล้วกลับไปหาผลมองจากผลเชื่อมเข้าไปหาเหตุได้แล้วจะมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่เป็นกระบวนการของเหตุผล เราเข้าใจว่าเป็นเป็นกระบวนการของเหตุผลมันก็ไม่ตืต่นเรือร้อนไปเหตุมัเป็นอย่างนั้นผมไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ธรรมดาก็กลายเป็นข้าถึงธรรมดาถึงธรรมดาคล้ายกันเนี่ยคล้ายกับคนกรุงเทพนะเราจะเห็นว่ามันที่ราบลุ่มอะตรงนี้ตรงนี้มันที่ราบลุ่มเหมือนแงแต่โบราณมาแล้วและเจตนาสร้างกรุงเท่านั้นก็สร้างต้องการใช้ที่ราบลุ่มใจลักษณะทางภูมิศาสตร์เข้าช่วยเพื่อป้องกันศึกจากด้านตะวันตกเอาแม่น้ํานจ้ารากขวางไว้ แล้วก็พาม่ารุกขึ้นมามันก็มันมีไม่มกี่ฤดูที่น้ําไม่หลากน้ําม่หลากมั น, มมนมรกนุกขึ้นมาสมมติมันรุกขึ้นมานี่มันก็ต้องถอยน้ําหลากมาหรือว่ารอน้ําแห้งดินแห้งก่อนอะไรต่ออะรมันก็ช่วงระยะเวลาจะสั้นครับในการที่จะไปเตรียมรบพับจับสึกมันเรามีโอกาสจะแก้ปัญหาและท้าไมาวางแล้วแตงภูมิศาสตร์สร้างบา้านทางเดือนทรงไทยะอะไรต่อะไรท่านมาอยู่ได้นะ เรียร้อยน้ำน้ำท่วมมันก็มีปัญหาอะไรนะฮะนั่งที่นอกชาตตกปลากินได้สบายด้วยนี่ปัญหาอะไรเลยเป็นวิชีชีวิตที่ท่านมองเห็นแต่ทีนี้พอเรามาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเราไม่มองเป็นกระบวนการของเหตุผลหรือหมการทําสร้างอาคารสถานที่สร้างถนนมนทางอะไรแต่ละเราได้ทําให้เกิดน้ําท่วมเองอะ่ะนะระหว่างตึกต่อตึกก็กลายเป็นลมพานมาหิม า, มาเลยว่น้ําหลากมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่มากกว่ามันลอดแต่ถุนอะ มันไม่ได้เป็นลาธารมืองมาอย่างมันลอดแต่ถุนไปมันไม่มาอะไรแรงแรงเราไม่มองเห็นในกระบวนการของเหตุผลแล้วก็เราก็โยวยวายเวลาเกิดผลขึ้น่ะที่จริงตัวเหตุเราสร้างเองเราๆๆสร้างกันมาเองทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วเราก็โ BS วยวายเวลาเกิดผลในทางไปดีหรือบางทีผลไม่เป็นธรร ม, มชาติธรรมชาติบันก็เป็นอย่างมันอย่างนั้นแหะนะฝนทังน้ำน้ําตกทางเหนือแรง น, น้ําทะเลก็ฝนมากรุงเทพก็ฝนแรงน้าไม่ท่วมก็มันผิดปกติไม่มีเหตุผลเลยนะ อันนี้คือผลที่ต้องเกิดขึ้นเป็นเหตุอย่างนั้นแน่นอนาน้ำต้องท่วมกรุงเทพประคุณไม่ต้องด่าใครหรอกมันเป็นข้งมันอย่างนั้นตั้งแต่มีโลกมาแล้วถ้าทางเหนือก็ตกตข้างล่างก็โนน ล, ลงมาข้างกลางก็ตกนี่แน่นอนน้ําท่วมทุกโลกนะไม่ว่าจะโลกไหนยุคไหนจะไม่ น, ะนี่เราเข้าใจการกระบวนการ ข, าของเหตุผลเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมันเป็นชาตากรรมที่เราต้องรับร่วมกันมันก็เป็นข้อมันอย่างนี้แหละ ไม่ต้องไปด่าใครนะเพราะว่ากตอตมอก็ไม่ใช่เทวดานะแกไขอะไรไม่ได้หรอกนี่ก็คือก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าสิ่งนัน้นมันมีความเป็นเหตุเป็นผลของมันเองและเหตุการณ์ที่สาคัญอย่างยิ่งนะเราจะเห็นว่าสาวถึงเขตเหตุของทุกเขตของความดับทุกนี่มันมันจะมีอยู่สองเหตุนะสาวไปได้เด็ดเหตุของทุกขมาถึงหัวก็คือสมุทยัยไม่ใช่จริงๆแล้วอวิจานะอวิจารเลยสมุทัยก็คืออวิชานั่นแหละ ถ้าถามว่าที่เรากมามตัณหาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอวิชาเพราะว่าตัณหาเกิดเนี่ยเกิดมันเกิดไปจากอวิชาวิวาตหาก็เกิดไปจากอวิชามันมาจากอวิชาคือความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงคุณอยากได้ไปทําอะไรอยากได้ไปทําอะไรจนบางคนอยากได้จะต้อง ท, ทาําทุจริตจะเป็นผู้แทนก็ต้องแจกทองเงินคนละเสลึงอะไรอะไรเนี่ย น, นะมันมันมันมันมันก็แสดงว่ามันไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่การกระทำที่ถูกต้องแต่ว่าเพราะเราหลงในกระบวนการของเหตุผลมันากระบวนการนี้มันเป็นอันไหลเราก็ทำไปอย่างนั้นนะเพราะงั้นในกระบวนการตรงนี้มันก็นำาปไปสู่ปัญหาต่างๆสารพัดทีนี้อีกอีออกเหตุหนึ่งก็คือวิชานะความรู้เนี่ยมันก็แต่กิงก้านสาข า, าไปก็ลดโลภโกรดห ล, ล, ล, ลงลงไปเรื่อยๆจนถึงหมดโลภหมดโกรดหมดหล ง, ล ง, ลงก็อยู่ที่ปลายสุด ปลายสุดก็การไปหมดโลกหมดกดุลที่จริงข้างล่างมันก็มีโลกกดุลนะฮะมีโลกกดุลอยู่เพียงแต่มันจางไปเรื่อยๆไปจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่หมดโลกกดุลมันก็ไปกลายเป็นเส้นทางที่สร้างสมบัติสามระดับขึ้นนะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเราจะเห็นว่ากิเลสมันจางลงไปเรื่อยๆแล้วเหตุผลสติปัญญาอะไรแต่อะไรต่างๆเทวดานั้นก็มีทะเลาะนะแต่ไม่ทะเลาะเหมือนคนหรอกคนก็ทะเลาะไม่ทะเลาะเหมือนสุนาร์เรา อย่างเ้ยมันมันมันยังไงมันก็มีทะเลาะอะแต่ว่าเทวดาก็มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นอ่ะไม่มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นเราก็ไม่ผิดข่าวอะเทวดาทะเลาะเทวดาทะเลาะกันบ่อยแต่มนุษย์เล่ทะเลาะกันบ่อยแต่ถ้าเทียบสัตว์แล้วมนุษย์ทะเลาะน้อยกว่าสัตว์นะนะมันน้อยกว่าสัตว์เดี๋ยวสัตว์มัวักยังไวัดวอนในหมาควกกทุกคืนเลยคืนไม่รู้กี่ครั้งเลยอ่ะแสดงวันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเพิ่เนี้ยเราเห็นได้ชัดอันนั้นคือกิเลสมันมากเห็นไหมอวิชชามันมากสัตว คนวิชาลดลงไปกว่าสัตว์อนะฮะเพราะฉะนั้นคนยังมีการทะเลาะกันแต่เทวดาวิชาคนน้อยท่านก็ไม่ทเละพอพอพระโสดาบาันจบแล้วจบแล้วไม่ทะเลาะแล้ ว, ลลวเพราะอะไรเราถามมาทะเลาะเพราะอะไรก็เพราะเป็นตนเห็นไหมกลำอันที่ตนมีตัวเราอยู่นะถ้าไม่มีตัวตัวเราแล้วก็ไม่ทะเลาะแล้วเขาด่าก็ไม่ถูกเราเขานินทาก็ไม่ถูกเรา แต่ถูกเราเพราะเราเราไปรับทุกทีหลยก็นินทาเราก็ด่าเราเข้าว่าเราอะไรที่พระเจ้าทรงทรงแสดงว่าคนบางคนไปปักใจเจ็บว่าคนนั้นด่าเราคนนั้นประหารเราคนนั้นประทุษร้ายเราคนนั้นเบียดเบียนเราถ้าอย่างนี้ละเวทไม่สงบหรอกคิดอย่างนี้ลเวทไม่สงบหรอกเราเข้าไปรับหมดนี่นะเรื่องอะไรต้องรับทําไมก็ทนนําลายรับทําไมแล้วทำไมก็ปล่อยก็ทมไปสิเขาก็ร <t ümüz yog i> ับผิดชอบก็เองแต่เราเราไปรับเพราเราไปรับเราก็ยุ่ง ปัจสดาบันนั้นท่านถอนคำว่าเราออกเห็นไหมปัจสดาบันกิเลส ต, ตัวแรกที่ท่านละได้คือสักกายติถิความรู้สึกว่าเราความความเห็นว่าเป็นเราพอพอถึงปะโสดาบันจึงจึงไม่ทะเลาะสังคมพระโสดาบันไม่มีการทะเลาะแล้วตลอดไปนะขึ้ น, ข, นขึ้นข้างบนแล้วไม่มีการทะเลาะเราเห็นอาการอะไรเห็นอาการของธรรมะที่ทรงแสดงทรงแสดงว่ามีเขตที่ขจัดกิเลสได้ไปเยได้วเราเห็นการจางกิเลส เป็นการจางกิเลสไปเรื่อยเป็นดูจากอะไรเราก็ไม่สัมผัสตรงนั้นนะนะแต่เราดูจากพฤติกรรมของคนทําไมท่านต้องเป็นอางนั้นท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ยนะฮะเพราะธรรมดาท่านเป็นอย่างนั้นเองถ้าคนถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันลงตัวแล้วมนุษย์ทําไมมนุษย์ทะเลาะมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมนุษย์ก็เป็นงเขาอย่างนั้นนะฮะทําไมหมาต้องฟาดกันหมามันก็เป็นอย่างนั้นนี่ยนะมันเป็นของมันอย่างนั้นน่ยเมื่อก่อนอาตมาอ อัดเทพทีต้องรอเขานะฮะรอเขาให้นอนกันเสีก่อนเนะี่ยเดี๋ยวนี้ไม่สนใจหรอกเลยเขาเขาขอนขอนเขาฟัดอะไรอะไรกันกวักกันไปฉันก็อัดเทพของฉันนะะคนก็รู้ว่าเราอัดในวัดอะวัดวัหมาเยอะนี่ยทําไงแล้วก็ต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ตัวเองไปแล้วก็ไม่ต้องเดือดรอ้อนไม่ต้องไปไล่มนะันอะปล่อยเข้าไปเราก็อัดไปอก็เขาเหนือ่อยก็ไปเหนื่อยขึ้นมาก็เลิกก็เองนะฮะต่างคนต่างก็อยู่ นี้ก็คือก็คือมองไปที่ตัวเหตุแล้วมันมันมาถึงเขาจะก็เป็นเขาอย่างนั้นเป็นเขาอย่างนั้นเดงธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเด้งเพราะคําสอนมูะเจ้าจึงอัศจรรย์ข้อที่สามนีแสดงเป็นอัศจรรย์ว่าแสดงว่าอย่างไงเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างไงก็คืออย่างนั้นแล้วไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้เลยโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงโดยสภาวะนะมันจะโดยภาษาภาษาเปลี่ยนได้นะภาษาเปลี่ยนได้ แล้วโดยสภาวะแล้วไม่เปลี่ยนนะยางวิปัจจุบันก็คุยเรื่องวิสัยทัศน์ะฮะกับังหวือหวาแลยฮะมองมองไกลฉับไว้ใจกล้าอะไรอะไรเนี่ยวิสัยทัศน์เี่ยที่จริงวิสัยทัศน์ไม่ได้มีอะไรเลยคือญาณทัศนะยาทัศนะโยนิโสวิจเนทะมังปัญญายต่างอิปสตินะการใช้ปัญญาพิณิพิจนาสิ่งทั้งหลายนี่จะเห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริง แล้วก็สิ่งทั้งหลายนั้นมั น, ม, น, ม, น, ม, น, ม, นมันมันมันมีอดีตอนาคตปัจจุบันก่อนเพราะวิสัยทัศน์จึงจึงจึงคลุมการได้ทั้งสต้องคลุมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วสามารถจะเอาอดีตเป็นบทเรียนในปัจจุบันแล้วก็วางแผนกนําหนดการต่างๆในอนาคตได้จริงๆไม่ใช่มีอะไรใหม่นะพระเจ้าใช้คำวิญญาณทัศนะคือรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วไปเชื่อมกับสิ่งทั้งหลายมองเป็นระบบมองเป็นกระบวนการได้ เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคืออัศจรเป็นคําสอนที่อัศจรย์ว่าไม่ต้องเพิ่มต้องลดอะไรท่านนี่ยนะฮะไม่ต้องเพิ่มต้องลดเลยว่าไปสองข้อก่อสองข้อสามข้อก่อสามข้ อ, ขอปฏิบัติไปเถอะแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาเองไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปถามนะฮะเห็นเม็ดพืชเอาไปปลูกว่าอกิ่งมันอยู่ตรงไหนดอกมันอยู่ตรงไหนคุณไม่ต้องกลัวลคุณไปปลูกก็แล้วกันนะวันหลังมันเกิดเองแ๋้วมันอยู่ในนั้นแหละอยู่ใ น, มนเมล็ดพืชเนี่นี่ก็คือหลักธรรมะ เราจะเห็นว่าพระเจ้ามีวิธีการเทศอยู่สาวิธีคือแสดงธรรมมีเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเจตนาเจตนานั้นเป็นการอนุเคราะห์โลกนะฮะอนุเคราะห์ต่อาจโลกก็เกิดประโยชน์แก่โลกเพราะฉะั้นต้องดูว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์แก่เขาหรือไม่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เทศเลยนะฮะทรงสแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและเขาต้องสามารถรู้สามารถเห็นทรงสแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามนั้นแน่นอนชัดเจนนะฮะปฏิบัติตามนั้นชัดเจนมากแล้วจะเห็นจริงตามนั้นมีคําสอนที่เป็นอาเซ จ, จ, จย์คือผู้ปฏิบัติจะรับประโยชน์ตามสัดส่วนของการประพฤติปฏิบัติผลจึงย่อยออกไปเป็นเป็นเป็นสมบัติสามระดับอย่างที่ว่าแล้วในสมบัติสามระดับที่จริงก็ย่อยในตัวของขา ม, ามันอีกมีหยาบมีกลางมีละเอียดขึ้นไปสวรรค์เองก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดนิพพานเองก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดจนถึง บรมสุขเป็นจุดหมายปลายทางนั้นคือคนอัศจรรย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะสมมตวันนี้ก็ขออยู่ตีไว้ยวยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, ง้อ ง, งามไ้บุญในธรรมจงมีแด่ท่านสายสนหลหลายโดยทักก่วกันทุกท่านถือ